นุ่นไปตั้งความหวังไม่ดินฟ้าอากาศนะอดีตอนาคตยุ่งไปหมดหัวใจไม่ตั้งอยู่ในหลักปัจจุบันคืองานที่ทำของตนผลก็ไม่ปรากฏเกินมากไปตั้งไว้กับการเวลาสถานที่นู่นที่นี่ดินฟ้าอากาศนะซึ่งเป็นความผิดจากหลักธรรม การสอนให้ตั้งลงในปัจจุบันทัฐนทัศนวิปัสสตินให้ดูลงในหลักปัจจุบันงานของเรามีอะไรไม่เวลานี้ยุ่งอยู่กับอะไรหัวใจเป็นตัวสร้างความยุ่งยุ่งวายทั้งหลายไม่มีอะไรเกินหัวใจเราอยากจะพูดว่าไม่มีมีหัวใจด้วยงเดียวเท่านี้ที่ก่อฟืนก่อไฟเผาตัว เพราะความรู้เท่าไม่ถึงการหรือความไม่รอบคอบในยิริยาการแสดงออกของจิตดวงนี้หาอุบายใดมาสอนมาระงับดับสิ่งวุ่นวายทั้งหลายภายในใจก็ไม่มีนอกจากทรรมเท่านั้นทรรมนี่เหมาะสมมาก ทำก็ไม่ทราบจะนำทำอะไรให้เหมาะสมอีลูล้วถ้ามีผู้บอกผู้สอ น, นจริงๆมันยากใจถ้าลมเนสร้างความหวังไว้ข้างนอกจากตัวแล้วจะไม่มีหวังนะต้องสร้างความหวังไว้กับงานที่ตนทางานที่เราทำสำหรับนักวดคืออะไรก็คืองานยิตภาวนาสร้างความหวังไวท้ที่ตรงนี้ ตรงที่งานนี่แหละอย่างอื่นไม่ถูกจิตที่หมุนตัวอยู่ตลอเวลานีอะไรพาให้มันหมุนละ่ะปกติของจิตจะต้องคิดต้องปรุงยุ่งเหยิงวุ่นวายอยู่ตลอดมีอะไรพาให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายเราทราบไม่ได้นะ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 เป็นหลักเป็นสำคัญนะวะ่านี่ขาเรียกว่าสัจจะสัจธรรมหรืออริยสัจสี่มรรคเครื่องสังหารทุกสมุทัยเป็นผู้ก่อให้เกิดทุกมรรคเป็นเครื่องสังหารทุกมรรคมีมากาลังมากน้อยก็ระงับดับสมุทัยไปโดยลำดับลำดามรรคคืออะไร ่านแสดงย่นลงม า, าคือมัมกแปดมักฆาแปลว่าะวะทางเดินหรือเครื่องดำเนินมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกโปสองอย่างนี้เป็นองค์ของปัญญาความเฉรียวฉลาดนำหน้ามักทั้งหลายสัมมาวาจาก่าวชอบสัมมากรรมันตะการงานชอบสัมมาอาชีวะ เพียงชีิชอบสมาวายามะเพียนชอบเพียนอยู่ในที่สีสถานท่านก็บอกไว้แล้วสมาสติตั้งสติไว้ชอบตั้งไว้ภายในตัวของเราเองสมาสมาธิความสงบหรือความแน่นหนามัน่นคมของใจโดยชอบ ฟังแต่ว่าคําว่าชอบชอบนะไม่ชอบต้องเป็นคู่แข่งกันจนได้มีอยู่ในนั้นแหละท่านจึงบอกว่าชอบชอบเมือนท่านกล่าวไว้ในอนุสัตว์ว่าสัมมาเดวะอาสเสวะหิมุจจติปัญญาปริภัยตังจิตตังสัมมะเดวะอาสเสวะหิมุจติจิดที่มีปัญญาเป็นเครื่องซักฟอกกั่นครองให้เรียบร้อยแล้ว ยอมหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบนั่นฟังสิคือความสําคัญผิดว่าตนหลุดพ้นทั้งทั้งที่ไม่หลุดพ้นนั่นเรียกว่าไม่ชอบปัญญาที่ช้าในทางผูกมัดตัวเองโดยสําคัญว่าเป็นการแก้ไขต่อต้านตัวเองปัญญานั้นก็ไม่ชอบเพราะฉะนั้นคําว่าไม่ชอบกับชอบจึงแทรกกันอยู่ในคนคนเดียวในใจดวงเดียวนั้นท่านจึงบอกว่าซ้ำซ้ำ สัมมาสัมมาเนี่ยเป็นมรกปดเนี่ยนี่สำคัญนี่ที่กล่าวมรกปดเนี่ยนี่คือเครื่องสังหารสมุทยัยธรรมชาติที่ผิดทุกขึ้นมาให้รับความเดือดร้อนแต่สา์โลกทั้งหลายไม่ทราบนะว่าอะไรเป็นเครื่องก่อทุกข์ให้เกิด แล้วก็ดับดับปลายเหตุไม่ดับต้นเหตุมันก็ไม่มีเวลาดับและไม่ดับต้นเหตุก็คือสมุไทยดับต้นเหตุก็ดับด้วยมรคคือเครื่องดับเช่นเดียวกับเราดับไฟด้วยน้ำดับไฟด้วยเชื้อไม่มีทางต้องดับไฟด้วยน้ำเมื่อมรกมีกำลังมากน้อยสมุไทยก็อ่อนตัวลง การผิดทุกข์ก็อ่อนตัวลงท่นานว่าดับทุกข์ไปโดยลำดับลาดานิโรดนิโรดนันเป็นผลจากสมุทยัยไม่ใช่นิโรธทำงานเป็นชิ้นเป็นอันทองตัวโดยโดยลาพังเป็นผลสืบเนื่องไปจากมากที่มีกําลังเจนแนวความอิ่มสืบเนื่องไปจากการรับทาน จนถึงอิ่มเต็มที่ก็คือพ้าการรับทานนูนเข้าไปนุนเข้าไปนี่ก็เหมือนกันพระเรามากักไม่ค่อยมีกฎมีเกณฑ์ไม่มีเหตุมีผลไม่มปีประมาณนะล้วดูๆมันมันขวางตาอยู่ตลอดไม่ทราบเป็นยังไงเคยพูดเสมอลรงนี้นี่แสดงว่าสติห่างจากตัวเอามากปัญญาไม่ได้ใช้กันเลย มันถึงนด้กระเทืนอยู่เสมอทั้งๆ ท, ที่เราก็ไม่ใช่เป็นคนฉล า, าดอยู่กับหมูกับเพื่อนเราก็ไม่ไสําคัญตัวนว่าเป็นผู้ฉล า, าดกว่าหมูกว่าเพื่อนนะแต่เวลาเจอเข้าไปแล้วมันเป็นยังไงสัมผัสเป้าเข้าไปมันจะเห็นในช่องถ้าเป็นนั่งมวยก็เปิดเหนี่ยค้างกันไกลที่ ท, ท, ที่ที่จะตายนี่ไว้ให้เลยเปิดไว้เปิดไว้มีแสดงว่าสติไม่อยู่กับตัว จึงต้องเปิดอย่างนั้นเปิดอย่างนั้นคือช่องว่างแห่งความไม่มีสติของผู้ปฏิบัตินั่นเองจะว่าอะไรไปมันบอกชัดๆอย่อยางนั้นถ้าการต่อสู้ต้องเป็นท่าของคนมีสติตพิจิตรพิจารณาใกล้ควรด้วยปัญญาโดยสม่ำเสมอนี่มันไม่ดูท่ามันไม่มีทำไง มีออกพรรษาแล้วก็ลังลายเข้ามาลังลายมาทําไมออกไปนอกฮักป่าในป่าในเขาที่ภาวนาเนี่ยมีมาหัวสูงกันอยู่ที่นมันเกิดประโยชน์อะไรผมให้หมู่เพื่อนออกไปก็ไปเพื่อความสงัดวิเวกเพื่อการประกอบความภาคเพียรไม่ได้เพื่อมาหัวสมงกันอยู่นี่มันเกิดประโยชน์อะไรสอนก็สอ น, นแล้วอุบายวิธีการต่างๆและสอนด้วยความแน่ใจด้วยไม่ได้สอนด้วยแบบรูปคำคำในความรู้สึกเลย แต่เป็นความที่แน่ใจในการสอนหมู่เวกนก่อนหน้าจะนำวิธีการเหล่านี้ไปกปฏิบัติความภาคเพียรของตนในที่เด็ดเดี่ยวเช่นในป่าในเขาที่ไหนที่เหมาะสมเข้าไปสิกลัวอะไรกลัวตายเรื่องความตายไม่ได้อยู่ในป่าในเขาในะ่มันไม่อยู่ดินน้ำอากาศมันอยู่กับตัวของเราเองอยู่ที่ไหนมันก็ตายได้ถลาลมหายใจหมดแล้วอยู่ที่ไหนมันก็ตายได้กลัวหาอะไร นี่พอออภพรษาแล้วปุปปับๆับเข้ามาแล้วมายุ่งกันเปล่าๆผมก็มองดูเหตุผลของเพื่อนที่มาเข้ามานี่เพื่ออะไรนะนี่มันก็ไม่เห็นเพราะที่จะเป็นสาระและอยู่นี่ก็อยู่มานานแล้วประพฤติปฏิบัติเป็นยังไงออกไปก็ยังจะไม่ฟ้นพรรษาปุปรับเข้ามาเข้ามาเอาอะไรอีก สอนก็สอนเต็มกําลังความสามารถแล้วถ้าจะปฏิบัติก็ควรจะเอาไปปฏิบัติแล้วมีเงนินอะไรกันก็ไม่รู้ยัวย่วยัวย่วเยี่ยวแย่ยยแต่พลาแต่นินเแล้วก็อกเราจะแตกด้วยนะหนักการปกครองพระนินให้โอวาถแนะนำส่งสอนทุกด้านทุกทางมีน้ํำซ้ำยังมีเกี่ยวข้องกับประชาชนอีกมากมายเนลย ค้านเน้ก็ไม่เด่นหน้าอะไรหลังอะไรไม่จใหม่แต่มากเท่าไรก็ยิ่งเหลวไหลเลยๆยังเห็นกันมานี่เป็นยังไงมันดีหรือมันเหลวไหลค น, นได้ไล่นี้จะว่าจะรวาก็ายังมีเห็นไหมล่ะถ้าดีเราจะไล่ประสมันดูสินี่ก็พูดประมากนักไม่ก็ดีตอนคำมาแล้ววันนี้อากาศอบอ้าวเลยรู้สึกพอรู้สึกรู้สึก จึงหยุดเพียงตรงนี้การพูดธรรมไม่พูดอะไรมากนะกนีม่มีเท่าไหร่นี่พระเท่าไหร่มีเน้นเท่าไหร่นี้แล้ววันนี้อะไรเครื่องทยทานที่เขามาทอดกริ่นวันนี้ใครต้องการอะไรกรไร็ไปใช้นให้ผมแจกแล้วผมก็ไม่ทราบจะแจกอะไรองค์ไหนขาดเขินบกพร่องอะไรใจผมแจกอะไรผมก็ไม่เคยแจกเพราะจะไม่ถูกกับจุดกับความมุ่งหมายของหมู่เพื่อนที่บกพร่องอะไรนั่น พราะวัด น, นี้เราเคยเปิดมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วใครมีอะไรต้องการอะไรก็มาเอาเลยไม่ต้องมาบอกมากล่าวผมผมไม่มาบอกผมเปิดไว้ตลอดเพราะนี้เป็นของทุกคนใครขาดตัววุ้งอะไรก็มาเอาเลยนั่นจะเหมาะยิ่งกว่าการแจกพราเจ้ า, าจะแจกอะไรแล้วมีอะไรบ้างที่จะแจกให้เหมาะสมกับความต้องการของเพื่อนมันก็มองไม่เห็นเลยจึงให้หาเอาต้องการอะไร เอาไปใช้เลยเท่านั้นเองมันก็มีเท่านั้นเหมนปัจจัยที่สาหรับแยกหมู่เพื่อนที่จะใช้ก็มีสาหรับแยกทำประโยชน์โลกสงสารเขาก็มีผมก็เคยปฏิบัติมาอย่างนั้นสำหรับความจำเป็นในวัดก็มีแยกไว้ประเภทหนึ่งสำหรับช่วยโลกเขาดังที่เคยปฏิบัติเลื่ยมาก็แยกอีกประเภทหนึ่งใช่ แต่การเงินการทรองนี้มันเป็นภัยผมจึงไม่ค่อยจะพูดอะไรทั้งเป็นค่าสิบต่อพระด้วยไม่ใช่ไม่เป็นแต่มันก็เป็นความจําเป็นที่เกี่ยวข้องกันก็ถูไทายไปยงั้นหละจะเก็บไว้ที่นั่นว่าเก็บไว้ที่นี่ดังนี้พูดไม่ไรเพราะเป็นภัยเขาเหน็นใช่หรือว่าสิ่งเหล่านี้มันกับหัวใจของคนมันมีบาปมีนรกกี่ไหนเราก็เห็นไปแล้วในวัดทั้งหลาย ไม่ทราบว่าปนว่าจี่ว่าอะไรเต็มไปหมดวงกรรมาฐานเหล่านี้มันจะก็จะแสดงถึงเรื่องอะไรก็ต้องเกี่ยวกับเรื่องความรอบครอบในการรักษาในการพูดการรักษาเพราะนั้นกับคาเยอะนี่นก็พอแล้วแหละยิย่งัำบากที่จะพูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้มันเสียแต่การปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักตามหลักวินยัยนั่นเป็นที่เหมาะ และนอกแตนั้นให้เหมาะกับความปลอดภัยด้วยแล้วเนนมีกี่เนนเนี่ยหืมไม่ไงอีกเนนหลายเนนเรื่อยๆเนนก็เพิ่มผ้าก็เพิ่มทั้งรถไม่มีนี่แขง ก, งกันอยู่นี้เฉยมันเกิดประโยชน์อะไรเยว่ๆวเยยยเยงานการอะไรก็ไม่คิดไม่อ่าน มันเหมือนกเขาเรียกเปรตหัวกุนเขาว่าไม่ใช้หัวหริ่งไปเลยเน่ยหัวมีไม่ใช้เเรียกเปรตหัวกุนเขาว่าเปรตคอขาดหัวกุนมีหัวอยู่ก็ไม่ใช่เอาความฉลาดมาจากไหนออกพรรษาใคาอยากจะไปเที่ยวที่ในภาวนาหาที่สงบสงดก็ไปนะผมไม่ได้ห้ามก็ไม่ทราบจะห้ามเพื่ออะไร นอกจากที่ไหนที่เหมาะสมในการประกอบความภาคเพีเยรเท่านั้นเอาไปไหว่อย่างนั้นผมพร้อมเสมอที่จะส่งเสริมหมู่เพื่อนในทางที่เป็นผลเป็นประโยชน์เฉพาะอย่างยิ่งคือกิตตภาวนาพอออกพรรษาแล้วเข้าป่าเข้าเขาอย่างแต่ก่อนอเป็นมาอย่างนั้นอย่างเราอยู่กับสมัยที่เราอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นออกเป็นอย่างนั้นในป่าในเข า, าภาวนา ธรรมะมักเกิดหรือเกิดในที่แทนแท่นกันดาลในที่ลำบากลำบนในที่กลัวๆเราเชื่ออันนี้เพราะอะไรก็ตามถ้าเราไม่สัมผัสสัมพันดูก่อนแล้วเราจะไม่ทราบเราต้องเข้าเป็ น, ปนผู้ ป, ปฏิบัติสัมผัสสัมพันดูด้วยตัวเองของเรานั่นแหละมันถึงจะทราบได้ดียกตัวอย่างเช่น ในพระโาวาทที่พระองค์สอนเป็นอนุสตร์สุดท้ายนั้นว่าลุขโมูลเซนาสนังนิสายปปะปชาตัดะเตยาวัจีวังมุาหูกรณีนี่เป็นต้นนะเดีวันมาชาาสม้งหมดแล้วให้อยู่ตามลุกุมูลร่มไม้นั่นเอง่ อ, อจากนั้นไปก็ตามป่าชันในถ้ำเงื่อมผา ซึ่งเป็นที่สงัสงดวิเวกทั้งนั้นนี่นี่ท่านบอกอนุสาสตร์เครื่องคร่ำสอนแปะออกผู้บวชใหมให่ทำความอุตสาหพยายามอย่างนั้นตลอดชีวิตเถิดฟังสิมีน้ำหนักทุกบททุกบ ท, ท, กบทถ้าฟังด้วยความใช้สติความพิพจารณาทางด้านปัญญาแล้วเราจะเห็นความหนักแน่นแห่งธรรมเหล่านี้ว่าเป็นที่แน่ใจตายใจได้ เพิ่งเป็นเพิเ่งตายได้จากทำบทนี้โดยไม่ต้องสงสัยถ้าได้ปฏิบัติตามอย่างนั้นนะามาชาวสมดนล่้เธอดั้งหลายไปอยู่ตามลูกขมูลลงไม้เนี่ยฟังดิใป่าใจเขาตามถ้ำห้ผาป่าท่าป่าชัดแล้วอุตส่าห์พยายามอยู่อย่างนั้นตลอดชีวิตเถิดสิ่งที่เหลือเฟือทั้งก็ บ, บอกอีหาโลปาซาโดข้ามยางคูห้าอะไรว่าไปอันนี้เป็นสิ่งเหลือเฟือ มันก็ไม่ห้ามแต่มันเป็นขิ่งเนื้อเปือเข้าไปแา่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จําเป็นที่เหมาะสมที่สุดดังที่กล่าวนี้ <c oughs> ที่นี่เราเพียงแต่เราฟังให้เฉยๆว่าเออยู่ตามรูปขอมนลษย์ไม้ชายป่าใช้เขาอย่งนี้โดยที่เราไม่ได้เข้าไปสัมผัสสัมพันธ์เราไม่ได้เข้าไปอยู่ดูทดลองดูเราจะไปทราบความหมายของสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรเนี่ย พระผู้เทียผู้ทรงสอนพระองค์ทรงสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งเหล่านี้มาแล้วจนเป็นผลได้ผลเป็นที่พอพระไถยจึงนำพระอุบาตเหล่านี้มาสอนโลกนี่มาสอนพระเราพวกเราเป็นแต่เพียงฟังไม่ได้สัมผัสสัมพันธ์คือไม่ได้ปฏิบัติตามทำเหล่านี้แล้วเราจะไปทราบความหมายลึกซึ้งอยาละเอียดของธรรมเหล่านี้ได้อย่างไรไม่ทราบออต้องเป็นผู้ปฏิบัติ คือเราต้องเป็นผู้ปฏิบัติเองเราต้องเข้าสัมผัสสมาดเองคือเราต้องไปอยู่เองออืตามที่ว่านเนี่ยคือลูกขมูลต้นไม้เนี่ยแล้วในป่าในเขาในถ้าเงือ้องผาเมือฐานที่หน้าบากเยียวหน้ากลัวอเปียวเปล่าออืแล้วเป็นยังไงจิตใจเวลาอยู่อย่างนั้ น, <c oughs> นเอาย่นเข้ามาอีกเช่นการอยูุ ร่งไม้ไม่มีที่มุงที่บงังไม่มีที่ป้องกันภัยอะไรเล ย, ยหากว่ามีก็เพียงแต่การแดดการฝนด้วยมุงด้วยกดเท่านั้นไม่ไดมีผ้าไม่มีฝ า, าไ ม, ไม่ไม่มีไม้ไม่มีฝากระดานหรือหรือไม่ <c oughs> <c oughs> เป็นเงื่อมผาอะไรพอที่จะอยู่ด้วยความแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลาย <c oughs> การอยู่เปรี่ยว ในร่มไม้เช่นนั้นกับการอยู่ในที่กําบังในที่หลมีที่หลบภัยอย่างนั้นความรู้สึกของเราจะต่างกันอย่างไรนี่ต้องไปสัมผัสสัมผัสเองถึงรู้ทตนี้เมื่อเราไปอยู่ในร่มไม้ไม่มีที่มุงที่บังเ อ, อ้ไม่มีที่ที่กําบังเพื่อความหลบภัยทั้งหลายอืมีเสือเป็นต้นนะอะแล้วอยู่ร่มไม้่เลยแล้วเป็นยังไงทีนี้ความรู้สึกมันจะว่าอย่างไร มันจะหวาจะเสียวจะกลัวรอบตัวเลยเพราะที่ไหนก็ไม่มีที่เกาะจีดไปยึดไปเกาะตรงไหนควาเป็นที่พึ่งไม่มีเพราะมันไม่มีที่จริงๆที่เกาะเช่นกระดานสานี่อย่างนี้ก็ไม่มีสาแอมไม่มีอ่าอย่างนี้เป็นต้นนะเราพออยู่ในที่ร่มไม้เป็นยังไงที่หนึ่ความรู้สึกนี่ละ่ะมันกลัวมากเมื่อกลัวมากจิดไม่มีที่ที่เกาะหาเกาะตรงไหนก็ว่าจะปลอดภัยก็มันมีที่เกาะก็ถอยเข้ามาเกาะ ทำสิจะทําบทใดก็ตามที่นี่จะพุทธโทธรรมโอสังโฆหรือบทใดก็แล้วแต่เถอะนี่ละรำเนี่ยนี่เป็นเกาะกําบางังที่เกาะเข้าติดนี่ปับ๊บแลยจเป็นจะตายก็มอบไว้กับนี่แล้วก็เด่นขึ้นเด่นขึ้นเด่นขึ้นสร้างความมั่นคงสร้างความอาศหานชาญชัยขึ้นกับใจของตนสร้างความสงบขึ้นภายใน จ, จิตใจด้วยคําบริกรรมด้วยการฝากเป็นฝากตายนั้นจนปรากดปรากฏเด่นชัดขึ้นภายใน จ, จิตใจเลยนี่ เรียกว่าได้สัมผัสสัมผัสทั้งความกลัวในลุคขมูลเช่นนั้นสัมผัสทั้งอัตทั้งธรรมความกล้าหาญชานชัยเป็นขึ้นพายในจิตนี่ถ้าลงได้สัมผัสด้วยตัวเองแล้วต้องทราบแล้วนอกจากนั้นก็ยังทําให้ทราบความมุ่งหมายของพระเจ้าที่ทรงแสดงไว้อีกว่าเป็นอย่างไรบ้า ง, งานั่นง่ายๆนี่เพียงข้อนี้ แล้วข้อเหล่านั้นเป็นยังไงเราพึ่งเที่ยวนําข้อเดียวนี้ไปเที่ยวอนุศาสตร์สี่อัตนัยจิตสี่นะคืออนุศาสตร์สี่เนี่ยาบินทบาทเสนาสนะกีลาณเพสให้เรานําไปปฏิบัติตามหลักทีก่ผู้เจ้าทรงสอนทุกแง่ทุกมุมทุกข้อที่มี่แล้วเราจะสัมผัสเองทุกอย่างทุกอย่างแล้วเราก็ทราบความมุ่งหมาย นี่เราพูดในเรื่องความเราได้ทดําดูเราก็ทราบความหมายทั้งสถานที่ดังที่ว่านี้ทั้งรถแห่งธรรมที่ปรากฏขึ้นภายในจิตเพราะอยู่สถานที่เค่นั้นน่นอันนี้ทําทั้งหลายก็เหมือนกันที่ท่านวอสแสดงว่าสมาธิว่าปัญญาวิมุตติหลดุดพลเมื่อเราได้สัมผัสเข้าไปตั้งแต่เริ่มจิตเป็นสมาธิสมาธิขั้นใดเริ่มเข้าไปโดยลๆๆๆําดับลำดับจนกระทั่งถึงสมาธิที่ละเอียดสุด สุดกำลังของสมาธิเท่านั้นก้าวจากนั้นไปไม่ออกพูดง่าง่ายเพราะสมาธิที่เต็มภูมิแล้วย่อมเต็มเช่นเดียวกับน้ําเต็มแก้วได้เลยนั้นไปไม่ได้เนี่ยพอภูมิสมาธิก็เต็มภูมิก็รู้ชัดปัญญา ป, ญปัญญาเมื่อได้ออกภายในจิตตภาวนาของเหล่านี้ออกในแง่ในเง่ในแล้วจะสอดแสดงถึงเรื่องความสดุดไปของพระพุทธเจ้า โดยอัดโดยธรรมตลอดถึงพ้นทุกความพ้นทุกของค์ ก, ก็จะทราบไปโดยในเดียวกันนี้เองนี่ือมันวิ่งถึงกันวิ่งถึงกันปัญญาแก้กิเลสเป็นปัญญาประเภทใดเมื่อปาปรากฏปัญญาปรากฏขึ้นในใจของเราและแก้กิเลส อ, อยู่ภายในใจดวงเดียวกันนี้เป็นอย่างไรก็ทราบไปถึงเรื่องของพระเจ้างแก้กิเลสเหมือนกันเราแก้กิเลส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 อากหลักความจริงนี้ลึกซึ้งมากนะเป็นก็เป็นตายก็ตายไม่มีคำว่าถอนความเชื่อจากความจริงกับความจำมันต่างกาันพอรู้อยู่อ่ะละพอแล้วนะพู ด, พ ด, พ ด, พดมา เ, าเลยมันจะดีอ่ะมาละ